เรื่องเล่าผีหลอนตอนเด็กดองช่วงที่เรียนปริญญาตรีนั้นเราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งตึกที่เรียนเป็นอาคารสี่ชั้นเราเรียนอยู่ชั้นสามและชั้นสองซึ่งชั้นสองเป็นแผนกชีววิทยาห้องชีววิทยาที่นี่ก็จะเหมือนกับที่อื่น คือมีอุปกรณ์ทดลองมีโหลสัตดองเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเวลาเราทำการทดลองวิชาชีวะจะต้องลงมาทำที่ชั้นสองช่วงขึ้นปีสามเราเรียนหนักมากและการทดลองแต่ละตัวต้องทำจนดึกจนดื่นบางทีก็ทำงานกลุ่มบางทีก็ทำงานเดี่ยวถ้าใครทำงานช้าก็ต้องอยู่ดึกทำงานให้เสร็จ ถ้าดีหน่อยใครมีแฟนเรียนที่เดียวกันก็จะมีคนอยู่ช่วยทำงานวันนั้นเราและนกต้องอยู่รอผลการวิเคราะห์น้ำเราทำงานกันในห้องเรียนชีวะตอนนั้นประมาณสองทุ่มแล้วผลจะออกก็ประมาณสามทุ่มครึ่งนกหิวข้าวจึงขอลงไปที่มินิมาร์ทข้างล่างสงสัยจะหิวมาก เห็นรีบวิ่งลงไปอย่างไวส่วนเราก็นั่งเขียนการบ้านรออยู่ในห้องและต้องเฝ้างานด้วยลักษณะของห้องจะมีตู้สื่อการสอนและอุปกรณ์ต่างๆอยู่รอบๆห้องส่วนตรงกลางเป็นโต๊ะแล็บยาวรอบห้องเรานั่งทางานที่โต๊ะแล็บและหันหลังให้ตู้เก็บสื่อการสอนซึ่งตอนนั้น เราไม่ได้มองว่าในตู้มีอะไรอยู่นั่งทำงานเพลินๆก็มีความรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังเราก็ไม่ได้สนใจคงนั่งทำงานต่อสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนเด็กหัวเราะอยู่ข้างหลังตอนแรกก็คิดว่าหูแว่วไปเองไอ้นกก็ไม่ขึ้นมาสักทีเรานั่งต่อไปเรื่อยๆจู่ๆ ไฟในห้องก็ดับพรึบยกเว้นตู้อบที่เราทำการทดลองเรากำลังจะเดินออกมาดูว่าข้างนอกไฟดับหรือเปล่าพอเดินมาถึงประตูเราเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่หน้าระเบียงเด็กคนนั้นหน้าตาน่ารักแต่แปลกที่เขาไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงตัวเดียว เราสังเกตเห็นที่ข้อเท้าขวาของน้องเขาสวมกำไลเล็กๆอยู่แต่ไม่รู้ว่าใช่ทองหรือเปล่าเพราะมันมืดตอนนั้นก็เกือบสามทุ่มแล้วเด็กที่ไหนจะมาวิ่งเล่นแถวนี้เราจึงเดินไปหาเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็หันมาชวนให้เราเล่นด้วยบอกว่าเห็นพี่นั่งอยู่คนเดียวหนูเหงา อยากให้เล่นเป็นเพื่อนเราบอกเขาว่าเรากำลังทำงานอยู่ต้องคอยดูแลงานแล้วไฟก็ดับด้วยไม่รู้ว่างานพี่เสียหรือเปล่าเขาบอกเราว่างานพี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูช่วยตอนนั้นเรามีความรู้สึกงงๆเบลอบเบลออย่างบอกไม่ถูกแต่เราก็นั่งเล่นกันอยู่ที่หน้าระเบียง น้องเขาบอกเราว่าเขาเหงาไม่มีเพื่อนเล่นและคิดถึงแม่ด้วยตอนนั้นเราก็แปลกใจอยากจะถามว่าเขาเป็นลูกใครและมาทำอะไรที่นี่แต่ก็ไม่ได้ถามเขาบอกว่าพี่มาเล่นด้วยสนุกและมีความสุขมากเรานั่งเล่านิทานให้เขาฟังไปหลายเรื่องจนน้องเขา หลับไปบนตักของเราเราก็กาลังจะเคลิมเคลิมหลับเหมือนกันแต่ก็ต้องตื่นเพราะเจ้านกมาโวยวายว่าให้เฝ้างานนิดเดียวดันหลับซะได้ไม่รู้งานเสียหรือเปล่านั่งหลับไปนัานหรื อ, อยังเนี่ยถ้าผลแลบเสียหายจะด่าให้เราก็ตื่นขึ้นมาแบบงงๆถามนกว่าเด็กคนนั้นไปไหนเสียแล้ว นกก็งงว่าเด็กที่ไหนเรายืนยันกับนกว่ามีเด็กมาเล่นกับเราจริงๆเมื่อกี้ยังนอนหนุนตักเราอยู่เลยนกบอกว่าบ้าไปแล้วใครจะมานอนหนุนตักเราได้เพราะเราอยู่บนเก้าอี้ตัวเดียวไม่มีใครทั้งนั้นแหละนกจึงเดินไปดูผลแลบบและเก็บอุปกรณ์เพราะเกือบจะสี่ทุ่มแล้วอยากกลับบ้านเต็มที เรามานั่งนึกดูดีๆตอนแรกเรานั่งอยู่กับเด็กคนนั้นที่หน้าระเบียงนี่นาแล้วเรามาอยู่ในห้องได้ยังไงตกลงเราฝันหรืออะไรกันแน่พอดีนกเก็บของเรียบร้อยแล้วจึงเดินมาหาเราเราก็ยังพูดเรื่องเด็กคนนั้นอยู่เพราะสงสัยมากนกคงรำคาญจึงแกล้งพูดว่า สงสัยเป็นเด็กที่อยู่ในขวดโหลข้างหลังแกมัง้งพอนกพูดแบบนั้นเราจึงหันไปมองในตู้สื่อการสอนตอนนั้นเรารู้สึกอยากจะเป็นลมไม่อยากรับรู้อะไรเลยมันเย็นวูบไปทั้งตัวในนั้นมีเด็กดองในขวดโหลเป็นเด็กผู้ชายที่มีอวัยวะครบถ้วนแถมที่ข้อเท้าขวา ยังใส่กำไรเล็กๆเหมือนน้องคนนั้นที่มาเล่นกับเราเลยและข้างๆขวดโหลมีพวงมาลัยเล็กๆวางอยู่ด้วยขวดโหลนี้เราไม่เคยเห็นเลยมันมาวางตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะส่วนใหญ่มีแต่ขวดโหลสัตว์ชนิดต่างๆตอนนั้นเราพอจะเดาออกแล้วว่าเรื่องที่เราเจอมันคืออะไร เราพยายามตั้งสติเราชวนนกกลับบ้านเราพยายามอย่างมากที่จะต้องเดินให้ปกติที่สุดแต่ในใจเราอยากจะวิ่งให้ป่าราบไปเลยพอถึงบ้านเราเล่าเรื่องทุกอย่างให้นกฟังนกไม่มีท่าทีสงสัยเลยนกบอกว่าเขาเจอกันมาเยอะแล้วแต่ไม่ได้เล่าให้เราฟังไอ้ที่ลงไปซื้อของนะ่ะ นกโกหกเรานกแค่ลงไปตั้งสติเพราะตอนที่เรานั่งหันหลังทําการบ้านอยู่นั้นนกได้เห็นเด็กที่อยู่ในขวดโหลขยับตัวและโบกไม้โบกมือให้นกนกเลยรีบลงไปตั้งสตินั่งอยู่ข้างล่างกับลุงยามกว่าจะทําใจได้กะว่าจะมาตอนผลแหลบออกพอดีมีหน้าละ่ะพอนกกลับขึ้นมา ก็รีบเก็บของใหญ่เลยวันหลังเราได้รู้มาว่าศพน้องคนนี้เป็นลูกของอาจารย์ใหญ่ในมหาวิทยาลัยนี้ละคะ่ะแต่พอดีก็ลอดก่อนกำหนดทำให้เสียชีวิตพ่อแม่เขายังทำใจไม่ได้จึงมอบศพให้คณะวิทยาศาสตร์เพื่อทำการดองไว้เวลาพ่อแม่คิดถึงจะได้มาเยี่ยมได้ แต่ก็ยังดีนะที่เราเจอแค่ในฝันและมาแบบดีๆถ้าเราเจอแบบอื่นสงสัยคงช็อกไปแล้วแต่ที่เจ็บใจก็คือเจ้าเพื่อนตัวแสบนี่แหละค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ถ้าคุณผู้ฟังชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอน อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าผีหลอนกันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ